กินด้วยปัญญาพาให้กินพอดีอันกลับมาพูดเรื่องการกินต่อไปอีกเท่าที่กล่าวมาได้พูดถึงแรงเรา้าที่กำหนดพฤติกรรมในการกินแล้วสองอย่างคือความหิวและตัณหาแต่ความจริงยังมีแรงเร้าอีกอย่างหนึ่งที่สามารถเข้ามาร่วมกำหนดพฤติกรรมนี้ด้วยแรงเร้านั้นคือฉันทะ ความฝ่ายธรรมะหรือความฝ่ายดีในกรณีของความหิวนั้นฉันทะหมายถึงความต้องการภาวะดีงามที่มีคุณค่าเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริงกล่าวคือความดำรงอยู่ด้วยดีของชีวิตหรือความเป็นอยู่อย่างดีงามของชีวิตหรือภาวะดีงามที่ชีวิตควรจะเป็นคือเมื่อชีวิตจะเป็นอยู่ ก็พึงเป็นอยู่ด้วยดีอย่างเกื้อกูลอย่างมีคุณประโยชน์ได้แก่สุขภาพความอยู่สบายความไม่มีโรคความไม่มีปัญหาความไม่เป็นภาระคือไม่เกินกว่าที่ควรจะเป็นความคล่องแคล่วเกื้อกูลแก่การทากิจเฉพาะอย่างยิ่งความเกื้อหนุนต่อการพัฒนาชีวิตกระบวนธรรมะที่ฉันทะจะเกิดขึ้น ไม่เหมือนกับตันหากระบวนธรรมะของตันหานั้นก่อตัวขึ้นภายในความห่อหุ้มของอวิชชาพออร่อยพอถูกใจก็ชอบพอไม่อร่อยไม่ถูกใจก็ไม่ชอบพอได้เวทนาตันหาก็เกิดต่อเนื่องตามกันไปได้อย่างเป็นไปเองตามที่รู้สึกโดยไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้ความสำนึกหรือความเข้าใจใดๆทั้งนั้น ความคิดความเข้าใจที่ว่านี้เป็นชนิดที่แทรกเข้ามาตัดหน้าตัญหาจึงไม่พึงสับสนกับความนึกคิดที่เกิดตามเพื่อรับใช้สนองตัญหาคือคิดหาทางสแสวงหามาปรนปลืมันส่วนกระบวนธรรมะของฉันทะเป็นกระบวนธรรมะแบบดับอวิชชาหรือจะเรียกว่ากระบวนธรรมะแห่งปัญญาก็ได้ คือต้องใช้ความคิดความเข้าใจหรือมีความสำนึกรู้กล่าวคือเมื่อจะกินอาหารเกิดความสำนึกรู้หรือความรู้คิดเข้ามาแทรกไม่ปล่อยกระแสความรู้สึกไหลเรื่อยจากเวทนาสู่ตัณหาเลิดไปกระบวนธรรมะฝ่ายอาวิชชาตัณหาก็ดับหรือเงียบหายกลายเป็นกระบวนธรรมะดับอวิชชาขึ้นมาแทน ตัวเริ่มที่เข้ามาดับอวิชชาและตัดหน้าตันหาก็คือโยนิโสมนสิการซึ่งแปลกันมาว่าการพิจารณาโดยแยกคายแปลง่ายง่ายว่าความคิดแยกคายคิดถูกทางหรือคิดเป็นคือคิดตรงสภาวะหรือคิดตรงตามเหตุตามผลพึงเทียบกระบวนาธรรมะ ในอังคุตระนิกายทศกัณนิบาศคือโยนิโสมนัสิการเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเป็นอาหารของอินทรียสังวรละจนถึงโยนิโสมนัสิการบริบูรณ์ย่อมทําให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ ยอมทำให้อินทรียสังวรบริบูรณ์ในกรณีนี้โยนิโสมนสิการคิดสอบถามสืบสาวว่าการกินเป็นการกระทําเพื่อผลอะไรอะไรเป็นผลของการกระทําคือการกินหรือพูดง่ายๆว่ากินเพื่ออะไรและสํานึกรู้ว่าการกินเป็นการกระทําเพื่อผล คือการที่ร่างกายได้อาหารไปซ่อมเสริมตัวมันหรือกินเพื่อสนองความต้องการของร่างกายให้ร่างกายมีสุขภาพไร้โรคอยู่สบายคล้าวคล่องเหมาะแก่การทํากิจซึ่งเป็นภาวะดีงามที่ควรจะมีจะเป็นสําหรับชีวิตเพื่อให้กลายเป็นกายที่ดีเพื่อให้ชีวิตเป็นชีวิตที่ดีตามสภาวะของมันทั้งนี้ไม่ใช่กินเพื่อมุ่งอรรถอร่อย เพื่อสนุกสนานมัวเมาเพื่อโก้เก๋รูราเป็นต้นจนกลายเป็นผลร้ายต่อสุขภาพบ้างเป็นเหตุเบียดเบียนกันบ้างก่อให้เกิดกิเลสอื่นๆเพิ่มขึ้นบ้างไม่เป็นไปเพื่อผลที่พึงประสงค์ของการกินอาหารพึงระลึกถึงคำสอนให้พิจารณาในการบริโภคใช้สรอยปัจจัยสี่ที่ท่านใช้คาว่าโยนิโสปฏิสังขา ซึ่งเป็นไวโพ์คำหนึ่งของโยนิโสมนสิการบทพิจารณานี้ในสมัยหลังเรียกกันเป็นแบบว่าตังคณิกาปัจเจเวกหรือตังคณิกาปัจเจเวขณนะจะเรียกกันอย่างชาวบ้านว่าปฏิสังขายโยซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสบ่อยเฉพาะการบริโภคอาหารโดยการพิจารณาอย่างนี้ท่านจัดเป็นโภชนเนมตันยุตา การคิดตามเหตุผลตรงตามสภาวะคือโยนิโสมนสิกานี้ไม่ใช่แรงจูงใจโดยตัวของมันเองแต่มันเป็นปัจจัยให้เกิดแรงจูงใจฝ่ายกุศลที่เรียกว่าฉันทะคือนำไปสู่ความพอใจความปรารถนาความต้องการในภาวะดีงามภาวะอยู่ดีหรือภาวะที่ควรจะเป็นของชีวิตอันได้แก่ความมีสุขภาพ ความคล่องสบายของกายนั้นเมื่อสันทาเกิดขึ้นแล้วก็เข้ามาร่วมกำหนดพฤติกรรมในการกินเป็นแรงเร้าที่สามเป็นตัวควบกับความหิวและเป็นตัวคานกับตันหาโดยเกิดแทรกซ้อนสลับกับตันหานั้นถ้ามีกาลังมากพอก็จะตัดโอกาสของตันหาไปเสียทีเดียว สัทชาที่เกิดขึ้นในกรณีของการกินนี้ก็จะช่วยนำไปสู่คุณธรรมที่เรียกว่าโภชเนมัตัญยุตาแปลว่าความรู้จักประมาณหรือรู้จักพอดีในการกินหรือกินพอดีเท่าที่กล่าวมาในเรื่องการกินนี้จะเห็นว่ามีแรงเรา้าหรือแรงจูงใจอยู่สามประเภท คือความหิวซึ่งเป็นแรงจูงใจเฉพาะกิจเป็นกลางๆในทางจริยธรรมคือไม่ดีไม่ชั่วโดยตัวของมันเองและมีตันหากับฉันทะซึ่งเป็นแรงจูงใจทั่วไปที่เข้ามาประกอบร่วมโดยเป็นภาวะตรงข้ามของกันและกันตันหานเป็นฝ่ายเสียหรืออกุศลฉันทะเป็นกุศลหรือฝ่ายดี